หลวงพช่อสมภารวัดพรมบุรีได้รับการบอกเล่าจากพระเจริญว่าจะครองกาสวพัด์ไปจนตลอดชีวิตก็อนุโมทนาท่านมองไกลไปกว่านั้นว่าในอนาคตภิกษุรูปนี้ต้องได้เป็นสมภารเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอไปจนถึงเจ้าคณะจังหวัดและจะช่วยจันลงพระศาสนาให้วัฒนาสถาพรสืบไป หลุงพ่อครับผมจะมาขออนุญาตไปเรียนวิชากับอาจารย์เชยสิทธก้นกุติของหลวงพ่อสุขวัดคลองมะขามเท่าครับเขาเล่าลือกันว่าท่านเก่งมากสามารถใช้คาถาอาคมช่วยเหลือญาติโยมให้พ้นทุกข์พ้นร้อนมาเป็นร้อยเป็นพันรายแล้วผมอยากเป็นอย่างท่านบ้าง พระเจริญกราบเรียนหลวงพ่อช่อในเย็นวันหนึ่งเป็นความคิดที่ดีทีเดียวท่านขอสนับส น, นุนถ้าท่านมีข้าท้าเรียกเงินเรียกทองก็ขอเรียนจากท่านด้วยนะท่านกําลังคิดว่าจะสร้างโบสถ์สักหลังเห็นว่าต้องใช้เงินสี่สิบมืน เงินมากไม้ขนาดนั้นท่านไม่มีปัญญาที่จะหาคนเดียวได้เอาเป็นว่าฉันขอมอบหน้าที่การสร้างโบท์ให้เธอรับผิดชอบก็แล้วกันฉันเองก็จะช่วยบอกบุญอยาาโยมเขาพระหนุ่มรู้สึกยินดีที่ท่านสมภารอนุญาตให้ไปเรียนวิชาขณะเดยียวกันก็รู้สึกหนักอ ก, ห น, กหนักใจ ในภาระใหญ่หลวงที่ได้รับมอบหมายกระนั้นก็กราบเรียนหลวงพ่อช่อว่าผมจะพยายามจนสุดความสามารถครับส่วนเรื่องคาถาเรียกเงินเรียกทองถ้าอาจารย์เชยท่านมีผมก็จะขอรินจากท่านผมจะเดินทางพรุ่งนี้เลยนะครับรินจบแล้วจึงจะกลับมาช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์รู้สึกว่า เธอจัดใจร้อนเหมือนเดิมนะแต่นั่นเป็นธรรมดาของคนหนุ่มตอน่ันอายุเท่าเธอก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเอาละ่ะเธอจะไปปรุงนี่ก็ได้ถ้ายังเรียนไม่จบให้กลับมาจำพรรษาที่วัดนี้ออกพรรษาแล้วคอยไปเรียนต่อเก่าใจไมล่ล่ะ เข้าใจครับผมจะพยายามเรียนให้จบก่อนเข้าพรรษาท่านตั้งใจว่าเมื่อออกพรรษาจะได้จาริกไปสแสวงหาวิชาความรู้กับอาจารย์องค์อื่นๆต่อไปคืนนั้นพระเจริญนอนคิดเรื่องที่จะหาเงินมาสร้างโบสถ์ท่านนึกถึงทอง32บาทที่ยักยอกมาจากป้าเหรียญตั้งใจว่าจะขายเพื่อนำเงินมาสร้างโบสถ์ แล้วอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้แก่เห็นว่าเวลานี้ราคาทองคำบาทละหนึ่งช่าง32บาทก็จะได้เงินมา32ชัช่างแต่เอเงิน32ชัช่างนี่มันกี่บาทหนอท่านจัดการบวกลบคูณหารในใจคิดอยู่ค่อนข้างนานก็ยังหาคำตอบไม่ได้นึกเสียดาย ที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนในวัยเด็กจะได้คิดเก่งๆเหมือนลูกคนจีนในตลาดพระหนุ่มรู้สึกรำคาญตัวเองจึงลุกขึ้นจุดตะเกียงหาสมุดดินสอมาคิดราคาทอง32บาทไม่นานก็ได้คำตอบถูกเอ้ยได้แค่2560บาทเท่านั้นเองราคาโบทตั้ง40บมืนต้องหาอีกเท่าไหร่นะ ท่านจัดการบวกลบคูณหารอีกโดยเขียนลงในสมุดโอ้โหยังต้องหาอีก39มกืนกับเจ4 0บาทพลันท่านก็คิดถึงแหวนเพชรที่แม่ประยงให้เคยนำไปคืนเจ้าของตอนที่กลับจากวัดหนองโพใหม่ๆแต่แม่ประยงเธอไม่ยอมรับคืนนอกจากนี้ยังขอร้องให้ท่านเก็บไว้เป็นที่ระลึก คิดว่ากลับจากวัดมะขามเท่าแล้วท่านจะไปพูดกับแม่ประยงเรื่องที่จะขายแหวนเพชรเพื่อนำเงินมาสร้างโบสถ์เพราะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับท่านของมีค่าย่อมไม่สมควรแก่สมณะก่อนเข้าพรรษา15้าวัน พระเจริญก็เรียนจบวิชาคถ า, าอาคมต่างๆจากอาจารย์เชยสิทธิ์ก้นกุติของหลวงพ่อสุขวัดคลองมะขามเท่าอาจารย์เชย อ, อยู่กับหลวงพ่อสุขมาหลายปีหลวงพ่อสุขได้ถ่ายทอดวิชาให้อาจารย์เชยก่อนที่ท่านจะมรณภาพในปี2466พระเจริญรู้สึกประทับใจในความเมตตาของอาจารย์เชยเพราะนอกจากท่าน จะได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้มาจากหลวงพ่อสุขได้ทั้งหมดแล้วยังมีอัธยาศัยดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความจริงใจกับทุกคนแม้จะมีความรู้เทียบเท่าหลวงพ่อสุขแต่ท่านก็ไม่เคยคุยโวโอ้อวดช่างผิดกับหลวงตาอุ้ยวัดหนองโพราวขาวกับดำวิชาที่พระเจริญชอบอกชอบใจมากคือ เศกใบมะขามให้เป็นตัวต่อและเศกผ้าอับน้ำฝนให้เป็นกระต่ายท่านเรียนได้อย่างรวดเร็วเพราะได้ฌานมาก่อนการเรียนอิทธิปฏิหารนั้นจะต้องสำเร็จฌานเสียก่อนหากไม่ได้ฌานก็เรียนไม่ได้นอกจากสองวิชานี้แล้วท่านยังได้เรียนมายาสาไทยต่างต่างซึ่งบางอย่างก็คงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนะักและหากใช้ไม่เป็น ก็อาจเกิดโทษได้พระเจริญเป็นคนฉลาดท่านจดจำคำสอนของหลวงพ่อเดิมที่ว่าผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนดังนั้นจึงเรียนรู้ทุกอย่างที่อาจารย์เชยสอนจากนั้นก็จะฝึกฝนให้ชำนาญโดยมีอาจารย์เชยคอยช่วยเหลือท่าน ร, รวบรวมความรู้ทั้งหมดไว้เพื่อจะนำมาพิจารณาว่าอะไรควรนำมาใช้อะไรไม่ควร เช่นวิชาเสกผ้าอาบน้ำฝนให้เป็นกระต่ายนั้นท่านเห็นว่าไม่มีประโยชน์และจะไม่นำไปสอนญาติโยมผ้าอาบน้ำฝนกลายเป็นกระต่ายได้ด้วยอำนาจของพลังจิตก็จริงแต่มันก็เป็นไปได้ชั่วประเดียวเดียวเพียงหนาทีให้หลังมันก็กลายเป็นผ้าอาบน้ำฝนตามเดิมนําไปแกงกินเป็นอาหารก็ไม่ได้ จึงไม่มีประโยชน์อันใดส่วนวิชาเสกผลมาตูมให้คนท้องกินจะได้คลอดลูกง่ายนั้นท่านคงจะนำไปใช้กับหญิงคันแก่ด้วยเคยรู้มาแล้วว่าความทุกข์ของหญิงยามคลอดบุตรนั้นสาหัสสากันเพียงใดอาจารย์ครับท่านสมภารสั่งผมบอกว่าให้ขอคาถาเรียกเงินเรียกทองจากอาจารย์ด้วยครับ พระเจริญกรับเรียนอาจารย์เฉยหลังจากเรียนวิชายอย่างอื่นจบแล้วสมพานเธออยากได้เงินได้ทองไปทำไมละ่ะหรือคิดว่าจะซึก้ออกไปมีเมียอาจารย์เฉยถามยิ้มยิ้มเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆสมพานบางรูปอายุตั้ง67ปีมีเงินเก็บมากเพราะบวชมาหลายพันสา จึงลาศิกขาไปได้เมียสาวเข้าตำราพอมีเงินมีทองก็คิดจะครองเขาฤ ห, หัดเมื่อเงินหมดก็ถูกเมียทิ้งหมดทางธรรมาหากินต้องบากหน้ากลับมาพึ่งพระศาสนาอีกครั้นจะไปทำไร่ไถนาเหมือนชาวบ้านเขาก็ทำไม่ไหวเพราะสังขารไม่อำนวยพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือแก่เกินแกงเสแล้ว ท่านคงไม่คิดจะศึกกระมังครับพระหนุ่มใช้คำว่าคงเพราะถ้าหลวงพ่อช่อบเกิดศึกขึ้นมาท่านจะได้ไม่เสียหน้ามากนักถ้าไม่คิดจะศึกแล้วจะอยากได้เงินได้ทองไปทำไมท่านจะนำไปสร้างโบสถ์ครับอาจารย์ท่านบอกผมว่าโบสถ์ที่ท่านจะสร้างนี้ราคาตั้งสี่สิบมือน พระเจริญกลับเรียนตามตรงวัดพรมโบรีไม่มีโบสถ์หรอกหรือมีครับอาจารย์แต่มันเก่าและทรุดโทรมมากอายุตั้งร่วมร้อยปีแล้วครับอีกอย่างหนึง่งมันก็สร้างด้วยไม้ท่านสมพาน์ท่านอยากได้โบสถ์ปูนแบบสมัยใหม่ครับทำไมเธอไม่แนะนำให้ท่านบูรณะของเดิมใช้ล่ะ ทำไมจะต้องสร้างไหมให้เสียเงินเสียทองมากมาอย่างนั้นอาจารย์เชยพูดเสียงตำหนิมันผุจนบูรณะไม่ไหวแล้วครับอาจารย์ผมเองก็เห็นด้วยกับท่านสมพาน์ว่าถ้าเป็นโบสถูลจะอยู่ได้นานกว่าปลวกจะไม่กินเหมือนโบตไม้อาจารย์โปรดให้คาถาเรียกเงินเรียกทองแกผมด้วยเถอครับ ภิกษุวัยแปดสิบเศษยกถ้วยน้ำชาขึ้นจิบแล้วจึงว่าขอทาอเรียกเงินเรียกทองไม่มีรักุณเจริญความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นผลมาจากการบําเพ็ญทานบารมีเป็นของเฉพาะตนให้กันไม่ได้ซื้อขายก็ไม่ได้ถ้ามีคาถาที่ว่ามาแล้วก็คงไม่มีคนจนหรอกจริงไหม จริงครับอาจารย์ผมก็ลืมข้อนี้ไปถ้าเช่นนั้นผมก็อยากให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบดูว่าอย่างผมเนี่ยมีกุศลพอจะสร้างหบดสำเร็จไหมครับแน่นอนเพราะเธอสร้างสมทานบารมีมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติในชาตินี้ก็จะได้สืบต่อกุศลนั้นอีกโบทของเธอ จะสร้างเสร็จภายในสองปีหลังจากนั้นเธอก็จะได้สร้างโบสถ์อีกหลายหลังเงินทองจะไหลมาเทมาด้วยผลแห่งทานบารมีของเธออาจารย์เชยทำนายทายทักถ้าเช่นนั้นผมก็ค่อยโล่งใจแต่ที่อาจารย์ว่าผมจะสร้างโบสถ์อีกหลายหลังนั้นคงเป็นไปไม่ได้ แค่หลังเดียวก็ตั้งสี่สิบมืนแล้วได้สิฉันดูหน้าเธอแล้วอย่าวดแต่งเงินสี่สิบมืนเลยต่อไปเงินเป็นร้อยหมื่นพันมืนเธอก็หาได้เอาละยังไม่ต้องเชื่อที่ทันพูดไว้ให้มันเกิดขึ้นจริงๆซะก่อนแล้วค่อยเชื่อไม่เป็นไรครับผมเชื่อไว้ล่วงหน้าก็ได้ ใครๆก็พูดกันว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์ผมก็มั่นใจเช่นนั้นเธออย่าเชื่อง่ายนักเลยคนเชื่อง่ายนะสอนอยากแต่คนเชื่ อ, อยากกลับสอนง่ายจำเอาไว้อาจารย์พูดเหมือนหลวงพ่อเดิมเลยครับอะไรที่เป็นความจริงไม่ว่าใครจะเป็นคนพูดมันก็ต้องจริงอยู่วันยังคำนั้นแหละเงียบกันไปครู่หนึ่ง ภิกษุหนุ่มก็ถามขึ้นว่าอาจารย์รู้จักหลวงพ่อช้างหรือเปล่าครับหลวงพ่อช้างเจ้าอาวาสวัดตึกราชานะครับทำไมจะไม่รู้จักละ่ะหลวงพ่อช้างท่านเป็นพระปฏิบัติที่เกรงมากท่านเหาะได้จริงหรือเปล่าครับจริงเพราะท่านสำเร็จฌานสมบัติและได้อภิญยาอาจารย์เชยตอบเพราะหลวงพ่อสุขอาจารย์ของท่าน เล่าเรื่องของหลวงพ่อช้างให้ฟังหลายครั้งแล้วอาจารย์เหาะได้หรือเปล่าครับเพราะอาจารย์ก็สําเร็จชานสมบัติย่ายห้ฉันตอบเลยฉันไม่ต้องการอวดอุตริมนุสธรรมมันเป็นอาบัติโทษพระเจริญจึงกลับไปพูดถึงหลวงพ่อช้างว่าโยมยายของผมเล่าว่าหลวงพ่อช้างท่านเคยเหาะไปป่าหิมพาน ไปพบมักรีผลด้วยมักรีผลมีจริงหรือครับถ้าเธอไม่เชื่อจะลองไปพิสูจน์ก็ได้แต่เธอจะต้องฝึกฝนให้ชันแก่กลากวันนี้เอาละ่ะฉันจะไปทรงน้ำแล้วมีอะไรก็คอยคุยกันวันหลังวันนี้เอาไว้แค่นี้พระเจริญจึงกราบเป็นจงังฆประดิษฐ์สามครั้งแล้วลุกออกมา กลับจากวัดคลองมาขามเท่าแล้วพระเจริญได้ไปที่บ้านแม่ประยงเพื่อขออนุญาตขายแหวนเพชรนำเงินมาสร้างโบสถ์แม่ประยงยังคงยืนยันที่จะให้ท่านเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ก็ได้ออกปากว่าจะถวายเงินสร้างโบสถ์0องช่างซึ่งมากกว่าราคาแหวนซะอีกภิกษุหนุ่มจึงจำต้องเก็บแหวนวงนั้นไว้ต่อไป ก่อนเข้าพรรษาสามวันหลวงพ่อชอได้เรียกพระเจริญไปสั่งการว่าร่งนี้ช่วยไปเรียไรายเงินกับข่าวสารที่สุพรรณบุรีด้วยนะฉันเตรียมคนเตรียมเรือไว้เรียบร้อยแล้วเรือออกกี่โมงครับหลวงพ่อถ้าจให้ดีฉันเช้าเสร็จก็ไปเลยลอยไปฉันเพลนเอาคางหน้า หลุงพ่อไปด้วยหรือเปล่าครับฉันจะไปให้นักเรือทำไมเธอไปลูกเดียวก็อพอแล้วก็มีเด็กรุ่นนุ่มอีกสามคนหนึ่งทำนาทีขับเรืออีกสองอีกสองคนพอ ย, ยุกข่าวสารที่ญาติโยมเขาถวายทั้งข่าวสารทั้งเงินก็คงจะตกหลายชั่งเด็กที่ไปด้วยเขารู้ทางดีหรือเปล่าครับ ผมกลัวจะไปหลงเกิดกลับวัดไม่ถูกบวชหลวงพ่อไม่เสร็จนะครับท่านแกล้งยัว่วทาไมจะไม่เสร็จในเมื่อหลวงพ่อสุขท่านว่าเสร็จก็ต้องเป็นไปตามคำท่านฉันเชื่อในวาสนาบารมีของเธอสมภารป้อนลูกยอพระหนุ่มจึงยอตอบว่าผมก็เชื่อในวาสนาบารมีของหลวงพ่อว่า หลวงพ่อมีความสามารถที่จะใช้ผมทำงานให้หลวงพ่อได้สำเร็จเป็นคำเย็นยอที่หลวงพ่อชอบไม่ชอบใจนักจึงพูดตัดบทว่าเอาเธอกลับไปเตรียมการได้แล้วคืนนั้นราจเจริญจึงตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังญาติโยม ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งฟากที่เรือจะแล่นผ่านท่านสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาแล้วปิดท้ายด้วยกรณียะเมตสูตรเก้าจบจากนั้นจึงจำวัดเพื่อจะตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย